ช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลวันเข้าพรรษากับวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเหตุการณ์สองวันนี้ไม่ได้เกิดติดกันเหมือนในปัจจุบันนี้ เหตุการณ์วันแรกคือวันอาสาบูชาเป็นวันเพ็ญเดือนแปดส่วนวันเข้าปรรษาเป็นวันเข้าพรรษาอยู่จำพรรษาของพระเพิกษุในพระพุทธศาสนา เหตุการณ์ของสองวันนี้ที่เกิดขึ้นครั้งแรกไม่ได้เกิดติดกันนะวันเพ่นเดือนแปนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าหลังจากได้ทรงตัดสรุสองเดือนคือวันเพ่นเดือนแปดอวุธวันเพ่นเดือนหกที่เป็นวันวิสาขาบูชาพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตัดสินพระทยที่จะเผยแผ่ พระธรรมที่พระ อ, องค์ได้ทรงตัดสัรให้แก่สัตว์โลกจึงมุ่งไปหาพระปัญจวคัคคีที่พระ อ, องค์ทรงได้พิจารณาว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะน้อมรับเอาคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้คือได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าก็เลยมุ่งไปหาพระประัญจวัคคีย์พบกันในวันเพ็ญเดือนแปดคืออีกสองวันข้างหน้านี้วันสุขพระองค์ก็ได้แสดงธรรมโปรดพระประัญจวัคคีย์ เป็นการแสดงธรรมขั้งแรกเพระธรรมที่ส่งแสดงนี้มีชื่อว่าธรรมจักกบรวรตนะสูตรส่งแสดงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ไม่ไม่ท ร, รมานไม่ยากจนเกินไปไม่ง่ายจนเกินไป เป็นทางสายกลางเป็นทางที่จะนําจิตใจให้หลุดพ้นออกจากกองทุกได้ทางสายกลางนี่อยู่ระหว่างทางสองสายที่มนุษย์เราจะเดินเพื่อหวังให้หลุดพ้นจากความทุกข์แต่มันไม่ได้เป็นทางเช่นทางหนึ่งก็ให้หาความสุขทาง ตาหูจมูกลิ้นกายเวลาทุกข์ไม่สบายใจก็ไปเที่ยวกันไปช้อปปิ้งกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะดับความทุกข์ได้ชั่วคราวพอกลับมาจากการไปเที่ยวจากการไปช้อปปิง้งจากการไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆ ก็กลับมาพบความทุกที่ยังไม่ได้รับการกำจัดนะเพียงแต่เป็นการหลีกเลี่ยงแต่ก็ต้องกลับมาเจออยู่เรื่อยๆทุกข์ที่เจออยู่เรื่อยๆก็คือทุกข์ที่เกิดจากการพัดพากจากกาันพัดพากจากสิ่งที่เรารักหรือพบกับสิ่งที่เราไม่ชอบ หรือความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป็นความทุกข์ที่การหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถที่จะบำบัดกำจัดให้หมดไปได้ส่วนอีกทางหนึ่งก็เป็นทางของผู้ที่ใช้การทรมานร่างกายเพื่อดับความทุกข์ทางใจ แต่ก็ดับไม่ได้ทรมานร่างกายไปอย่างไรความทุกข์ทางใจก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าก็เคยลองทดลองทรมานร่างกายด้วยโการอดประกายอาหารถึงสี่สิบเก้าวันความทุกข์ทางใจก็ยังมีเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมไม่ลดน้อยถอยลงไปเลยสมัยก่อนพวกฤาษีชีภัยเขาจะ ใช้วิธีทรมานร่างกายต่างๆให้ร่างกายเจ็บปวดเพื่อที่จะได้ทำให้ใจาหายทุกข์แต่ก็ไม่หายจะเอาของแหลมของคมมากรีดร่างกายจะนั่งบนที่นั่งที่มีของแหลมของคม หรือจะทรมานร่างกายด้วยการยืนในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลาอันยาวนานหรือไม่ใส่เสื้อผ้าไม่หรือไม่ตัดผ้าตัดผมการกระทำวิธีการเหล่านี้ไม่ได้เป็นวิธีการดับความทุกข์ใจได้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้หลีกเลี่ยงวิธีการดับความทุกข์ ทั้งสองทางนี้ทางที่ดับด้วยการหาความสุขทางร่างกายก็ไม่ดับทางที่จะห า, หาทางที่ใช้ความทุกข์ทางร่างกายมาดับความทุกข์ทางใจก็ไม่ดับเหมือนกันต้องดับด้วยวิธีที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางที่เรียกว่า มรกแปนะมร์ที่มีองค์แปดนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าในวันนั้นสอนให้จเจริญมรกแปดเพราะมรกนี้เป็นทางที่จะดับความทุกข์ทุกนี้คือการเกิดแก่เจ็บตายต้นเหตุของความทุกข์ก็คือ ความอยากในรูปเสียงกลิน่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาต้องละสามตัวนี้ต้องกาจัดสามตัวนี้ทุกถึงจะดับนะจะดับได้ก็ต้องดับด้วยมรคมรที่มีองค์แปด คือหสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง 2. สัมมาสังกปรความคิดที่ถูกต้องสสัมมากรรมโตการกระทําทางร่างกายที่ถูกต้องการกระทําด้วยร่างกายที่ถูกต้อง 4. ส, สัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้อง 5. สัมมาอาชีวการมีอาชีพที่ถูกต้อง หสัมมาวายาโมมีความภาคเพียนที่ถูกต้อง 7. ็ดสัมมาสติมีการละเลิกรู้ที่ถูกต้องและแปดสัมมาส ม, มาธิมีการตั้งมั่นของจิตใจที่ถูกต้องนี่คือมรรคที่มีองค์แปดใครมีมรรคที่มีองค์แปดก็จะมีกำลัง ที่จะละกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจได้เมื่อไม่มีตัณหาทั้งสามนี้ทุกข์ก็จะไม่เกิดการเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีนี่คือธรรมที่พระเจ้าทรงสแสดงให้แก่พระปัญจวคี แล้วหลังจากที่ได้สรงแสดงหนึ่งในพระปัจจวัคคก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่ า, เ, าเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีการตายเป็นธรรมดาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมด า, าถ้าไปอยากให้มันไม่ดับก็จะทุกข์เห็นอริยสัจ ส, สี ก่อนพระอัญญาณโกนทัญญะเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเห็นด้วยปัญญาคือมรรคสัมมาทิฏฐิว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมดานี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องที่เป็นมรรค ไม่มีใครที่จะไปเปลี่ยนแปลงความจริงันนี้ได้เกิดแล้วก็ต้องมีดับนะเกิดแล้วต้องมีแก่มีเจ็บมีตายถ้าอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะทุกข์นะทุกข์แล้วก็เวลาตายก็จะกลับมาเกิดมาอีกเพราะยังอยากจะมีร่างกายอยากจะ ใช้ร่างกายหาความสุขทางตาหูจมกูกนิ้นกายต่อไปผ่านญาณกทตัญญาเลยได้บรรลุทำขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันลสักกายทิฏฐิได้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของใจได้ ใจอยากไม่แก่แต่ร่างกายต้องแก่เพราะฉะนั้นใจกับร่างกายนี้ไม่ได้เป็นอันเดียวกันใจเป็นผู้อยากร่างกายเป็นผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตายใจห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ใจก็เลยทุกข์เน่ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ปล่อยมันเหมือนกับเราปล่อยร่างกายคนอื่นฮะร่างกายคนอื่นแก่เจ็บตายเราไม่เห็นเดือดร้อนเราไม่ทุกข์เลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปถือว่าเป็นตัวเราของเรานั่นเองะพอร่างกายอันนี้ที่เรามีอยู่นี้เราไปถือว่าเป็นตัวเราของเรามันก็เลยทุกข์ขึ้นมาเท่นั้นเองเห็นด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิ เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องดับเมื่อมีสัมมาทิฏฐิก็จะมีสัมมาสังกปรูความคิดที่ถูกต้องก็คิดว่าต้องปล่อยร่างกายไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ก็เลยทำให้ความทุกข์ในใจหายไป เพราะละตัณหาหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่ตายได้หยุดได้ด้วยสัมมาสมาธิจิตต้องมีสัมมาสมาธิก่อนถึงจะมีกําลังหยุดความอยากถ้าไม่มีสมาธิคืออัปปนาสมาธิถึงแม้จะรู้ว่าความอยากนี้เป็นเหตุที่ทําให้ทุกข์ใจความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายทําให้ทุกข์ใจ แต่ถ้าไม่มีสัมมาสมาธิจะดับไม่ได้จะหยุดความอยากไม่ได้แล้วการจะมีสัมมาสมาธิก็ต้องมีสัมมาสติเพราะสัมมาสติเป็นผู้ที่จะทำให้จิตรวมเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือความสงบของจิตหยุดคิดปรุงแต่งหยุดความอยากชั่วคราวเรียกว่าสัมมาสมาธิจะ จิตจะนิ่งสงบเป็นสัมมาสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิได้ก็ต้องมีสัมมาสติมีการละเลิกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆแต่เช่นอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธถ้าอยู่กับพุทโธพุทโธไปใจก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ไปคิดถึงร่างกายไม่ได้ พอไม่ได้คิดถึงร่างกายไม่ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเวลาใจอยู่สงบใจไม่ทุกข์กับร่างกายเลยแต่พอใจออกมาจากสมาธิพอมาเห็นร่างกายมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็จะเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมา ถ้ามีปัญญาก็ต้องบอกว่าอยากยังไงก็ห้ามมันแก้ไม่ได้มันยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าอยากแล้วมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปเท่านี้ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ต้องมีสัมมาสติสัมมาสมาธิใจจึงจะมีกำลังหยุดความอยากได้ และการที่จะมีสัมมาสติสัมมาสมาชิก็ต้องมีสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิวสัมมาวายามโมมีการกระทำที่ถูกต้องอคือไม่ทำบาปมีการพูดที่ถูกต้องไม่พูดบทไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อ มีอาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นสา ม, มาอาชีพอาชีพที่ไม่ไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายสา ม, มาวายมโมมีความภาคเพียรที่จะเจริญสตินั่งสมาธิถ้ามีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาคือสา ม, มาธิติสัมมาสังกป ก็จะมีพลังที่จะละความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ความทุกข์ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามและขั้นที่สี่ล้วนเกิดจากความอยากดังนั้นะขั้นที่สองขั้นที่สามก็เกิดจากความอยากเสพกามยังอยากร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้อยู่ พอไปเห็นเขาหน้าดูน่ารัก อ, อก็ต้องใช้ธรรมะคือสัมมาทิฏฐิที่ตรงกันข้ามที่เห็นแล้วจะทําให้ไม่อยากจะร่วมหลับนอนด้วยก็คือให้ดูร่างกายตอนที่มันไม่สวยไม่งามเด่นตอนที่มันตายออตอนที่ไม่มีลมหายใจขึ้ น, อนเ อ, อิดพองเขียวชา้าดําเ อ, อ หรือว่ากับอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายแต่กระจายออกมาเห็นสร้างศพเห็นไม่ความไม่สวยงามของร่างกายก็จะทําให้ความอยากจะเสพกามนี้หายไปหยุดไปละการเสพกามได้ด้วยการเห็นอ ส, สุภะเห็นความไม่สวยงามของร่างกาย ถ้าเห็นสุภาพเห็นความสวยงามของร่างกายก็จะมีความอยากที่จะเสพกามนี่คือการละความอยากขั้นที่สองที่สาต้องละละความอยากจะเสพกามด้วยการใช้อสุภาใช้สัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าอสุภาคือเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกาย ส่วนที่ไม่น่าดูของร่างกายเห็นแล้วก็จะเกิดอาการเบื่อหน่ายไม่ข้างใครไม่หลงไหลถ้าเห็นตอนที่สวยงามจะเกิดอาการข้างคล้หลงไหลจะเกิดการมารมขึ้นมาขั้นที่สี่ก็เป็นการไปละความอยากที่เกี่ยวกับจิตใจ เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจเช่นความสงบของรูปฌปานของอรูปฌปานหรือความไปยึดติดกับตัวตนอัตตาตัวตนความที่ไปยึดกับจิตยึดกับความสุขของจิตอันนี้ก็จะทำให้ เ, เกิดความทุกข์ขึ้นมา ก็ต้องละด้วยสัมมาทิฏฐิเช่นเดียวกันว่าทุกอย่างที่ปรากฏในจิตก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับอนัตตาไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ถ้าอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นไปตามความอยากก็จะทุกข์อยากให้จิตสงบเวลามันไม่สงบก็จะทุกข์จิตมันก็มีเวลาที่สงบไม่สงบสลับกันไป แล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยเหมือนกับร่างกายที่ไม่เที่ยงที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็พิจารณาในแนวเดียวกับกับร่างกายก็สามารถที่จะปล่อยวางความอยากที่เกี่ยวกับจิตได้เกี่ยวกับสิ่งที่มีในจิตได้พอปล่อยหมดที่นี้ความอยากก็ไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจ ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นนิพพานขึ้นมาไม่ต้องเวียนว้ายตายเกิดเีกต่อไปไม่มีความทุกข์อีกต่อไปอ น, นี่ก็คือธรรมที่พระเจ้าทร ง, งแสดงในวันแรกให้แก่พระปัญจวัคคีพอได้ทรงแสดงสองสามครั้งพระปัญจวัคคีทั้งห้า ก็ได้บรรลุเป็นพาาระอรหันต์พร้อมๆกันนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันพาราหะบูชาส่วนวันเข้าบรรษาที่เป็นวันถัดมานี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในวันในเวลานั้น ก, การจำบรรษาของพระนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้ที่มาบวชในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นจำนวนมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับะระยะแรกๆที่มีผู้มาบวชในพระพุทธศาสนาไม่มีการจําพรรษาไม่มีการบังคับให้อยู่จําพรรษาปล่อยให้ไปไหนมาไหนตามอัธยาศาัยเพราะพระเนเนเมื่อบวชแล้วบางทีก็อยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้า อ, อยากจะมากราบพระพุทธเจ้าก็ต้องเดินทางกัน หรือบางทีพระเนรอยากจะไปกราบพระอรหันต์รูปนั้นรูปนี้สมัยนั้นมีพระอรหันต์เยอะแยะไปหมดแล้วก็กระจายอยู่กันตามทิศต่างๆพวกที่อยู่ทางทิศนี้ก็อยากจะไปกราบพระอรหันต์ทางทิศนั้นพวกที่อยู่ทางทิศนั้นก็อยากจะไปกราบพระอรหันทางทิศนี้เหมือนพวกเราเนี่ยอยากจะไปกราบครูบาอาจารย์ที่นั่นอยากจะไปกราบครูบาอาจารย์ที่นี่ อยู่ที่นี่ก็อยากจะไปฟังเทศที่นู่นอยู่ที่นู่นก็อยากจะมาฟังเทศที่นี่พวกอุดอนก็มาที่นี่พวกที่นี่ก็ไปอุดอนไปอุดอนเขาค่อยไล่กลับมาที่นี่พวกอุดอนมาที่นี่ก็ไล่ให้กลับไปอุดอนแต่มันอยากไปกัน <c oughs> ก็เลยสมัยก่อนไม่มีรถลาก็เดินกันพระเนนก็เดินกัน ทีนี้ช่วงเข้าพรรษาเป็นดีเป็นช่วงฤดูฝนชวนาชวนาชาวไร่เริ่มเพาะปลูกกันทีนี้เวลาพระเนนเดินทางไปก็มักจะเดินลัดทุ่งกันลัดทุ่งนานลัดเพราะว่ามันจะได้ใกล้มันจะได้สั้นทีนี้บางทีไม่รอบไม่ระวังก็ไปเหยียบพวกพืชที่เขาเพิ่งปลูกทำให้เกิดความเสียหายชวาชวนาชาวไร่เดือดร้อน ก็เลยมาฟ้ อ, าองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหลังจากได้ทราบก็เลยต้องสั่งให้พระเนยหยุดการไปเดินทางไปไหนมาไหนระยะสามเดือนของช่วงฤดูฝนก็เลยมีการจําพรรษาขึ้นมาคือวันเพน็ญแลมหนึ่งค่ํำวันแลมหนึ่งค่ำเดือนแปดของทุกปี อภิกษุงดเดินทางไปกราบว่าครูบาอาจารย์ต่างๆให้อยู่ที่สำนักใดสำนักหนึ่งไปหรือถ้าจับปรรษาอยู่คนเดียวอยู่ในถ้าหรืออยู่ที่ไหนก็ให้อยู่ที่นั่นไปห้ามเดินทางไปค้างแรมที่อื่นยกเว้นมีข้อยกเว้นถ้าบิดามารดาได้ไม่สบายได้ข่าวอยากจะไปดูแลรักษา หรือครูบาจารย์อุปชาเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปดูแลท่านก็ไปได้แต่ให้ไปไม่เกิน7จดวัน7จดคืนหรือมีกิจนิมนต์ญาติโยมอยากจะทำบุญแล้วก็นิมนต์พระให้ไปร่วมกิจนิมนต์นั้นก็ไปได้หรือว่ากุฏิศาลามีปัญหาเช่นหลังคาลั่วทารุด นต้นไม้กิี่ไม้หล่นมาทับต้องซ่อมแซมต้องไปหาวัสดุมาซ่อมแซมก็อนุญาตให้เดินทางไปได้เฉพาะเฉพาะกิจเฉพาะการนี่คือเรื่องของการจำพรรษาเพื่อที่จะได้ไม่ไปสร้างความเสียหายให้แก่ชาวนาชาวไร่ที่เขามีอาชีพเพาะปลูกพืชต่างๆ ถ้าไปเหยียบแล้วทำให้พืชที่เขาพ่อปลูกนั้นเสียหายทำให้รายได้เข า, ขาลดลงก็เลยต้องมีการสั่งห้ามใบไหนมาไหนตลอดระยะเวลาสามเดือนนี่จึงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ชาวพุทธเราม า, านำลึกถึง เพราะว่าวันเข้าพรรษาก็เป็นช่วงที่ชาวพุทธเหล่านั้นอยากจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมเข้าวัดศึกษาธรรมกันเพราะว่าเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราคนไทยที่จะให้ลูกหลานบวชกันในช่วงเข้าพรรษาเมื่อลูกหลานบวชพ่อแม่พี่น้องก็อยากจะมาร่วมบุญเออ มาเข้าวัดกันก็เลยมีธรรมเนียมวันเข้าปรรษาขึ้นมาเพื่อที่จะได้เอาของจำเป็นที่จะต้องใช้ในช่วงเข้าปรรษามาถวายาคือผ้าอาบน้ำฝนสมัยก่อนพระไม่มีห้องน้ำกุฏิก็ไม่เวลาอาบน้ำก็อาบที่สะที่บ่ อ, อก็มีผ้า ผ้านุ่งที่ใส่อาบแล้วก็เปลี่ยนซักเปลี่ยนได้แต่เวลาฝนตกนี่มีพระอยู่กลุ่มหนึ่ง อ, อ, อยากจะอาบน้ำฝนแต่ไม่มีผ้าอาบน้ำฝนก็เลยเปื่อยกายอาบน้ำฝนพอดีนางวิสาขาส่งให้คนรับใช้ไปดูพระที่วัดว่ามีกี่รูปจะจัดน้ำปานะไปถวาย พอไปถึงวัดฝนตกใหญ่พระเนนก็ออกมาอาบน้ำฝนกันไม่มีผ้าอาบน้ำฝนนั่นก็เลยเปื่อยกายอาบกันาสาวรับใช้ก็ตกใจวิ่งกลับวัดไปเล่าให้นางวิสาขาฟังว่ า, าไม่มีพระเหลืออยู่ในวัดเลยมีแต่พวกชีปเปื่อยนางวิอาบน้ำกันอยู่ พอนางวิสาขาได้ยินก็เข้าใจก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสงค์ท่านเวลาจะอาบน้ําฝนท่าไม่มีผ้าอาบน้ําฝนก็อะไรขอให้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ญาติโยมถวายผ้าอาบน้ําฝนกันออนี่เป็นที่มาที่ผ้าอาบน้ําฝนที่ญาติโยมเอามาถวายกันแต่ผ้าอาบน้ําฝนสมัยนี้เนื่องจากคนขายก็ไม่รู้ว่าเอาไปใช้ทําอะไร หอะไรไม่ได้ขนาดเป็นเป็นเหมือนผ้าผ้าชิ้นเล็กๆ เ, เอามาห่อของเนี่ยที่เราเป็นพุ่มสีเหลืองๆแล้วก็มีผ้าชิ้นเล็กๆอยู่ผืนหนึ่งนี่ก็ใช้ไม่ได้เอพราะมันนุ่งไม่ได้เอเป็นผ้าขี้ริ้วมากกว่าเป็นผ้าเช็ดพื้นเช็ดเท้าอะไรมากกว่าอแต่คนขายไม่รู้คนซื้อก็ไม่รู้ คนใช้ก็พูดไม่ได้บอกไม่ได้นอกจากเวลาเทศเท่านั้นเองจะบอกได้หลายเวลาโยมมาถวายภาพนำ้ำฝนบอกโยมภาพวันนี้ใช้ไม่ได้ก็พูดไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าเป็นคนจู้จี้จุกจิกกิเลสตันหามากมมวันนี้เลยมีโอกาสก็เลยได้พูดถ้าแสดงธรรมนี้แสดงได้พูดได้บอกได้ เป็นผ้าที่ใช้อาบน้ําฝนเพราะเวลาไม่อาบน้ําฝนผ้าเขาก็ไปอาบในนําคลองหรือตามบ่อตามสะอาบในที่มิดชิดหน่อยไม่ต้องใช้ผ้าอาบน้ําฝนแต่เวลาฝนตกนี่ท่านอาบที่กลางลานวัดเลยก็เลยต้องมีการถวายผ้าอาบน้ําฝนส่วนเทียนทันสานี้ก็ เป็นเรื่องของการใช้ไฟนั่นเองใช้แสงสว่างสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าประเทศไทยเราเพิ่มมามีไฟฟ้าในสมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้ามีก็ไม่ทั่วถึงตามตามต่างจังหวัดตามไรนี่ไม่มีวัดต่างจังหวัดชมชาวบงชาวบ้านเขาใช้ตะเกียงใช้เทียนกันทีนี้เวลาบวชก็ต้องมีการไหว้พระสวดมนต์ จุดธูปจุดเทียนมีการต้องอ่านหนังสือกันดูหนังสือกันก็เลยจาเป็นจะต้องมีเทียนใช้ mm hmm. ก็เลยเป็นธรรมเนียมที่จะถวายเทียนเข้าพรรษากัน mm hmm. ทำเทียนแล้วก็เพื่อให้พ้าเนนจะได้เอาไปใช้เป็นแสงสว่าง mm hmm. ก็เลยมีธรรมเนียมถวายของสองชนิดนี้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ถวาย เทียนไว้สำหรับดูหนังสือไว้สำหรับไหว้พระสวดมนต์แต่สมัยนี้ของสองอย่างนี้มันก็ไม่มีความจําเป็นเพราะเดี๋ยวนี้กุฏตกุ ต, กกติก็มีห้องน้ำ อ, า, อาบน้ำกันก็เดี๋ยวนี้ไม่นิยมอาบน้ำฝนกันน้ำฝนมันก็สกปรกแล้วก็เดี๋ยวนี้มีไฟฟ้าตลอดยิบสี่ชั่วโมง เทียนก็เลยไม่มีความหมายอันนี้สิ่งที่มีความหมายคือหลอดไฟต้องเปลี่ยนจากเทียนมาเป็นหลอดหลอดไฟเพราะเทียนก็เอามาก็ไม่ได้ใช้กันอย่างมากก็ตั้งไว้สักสองสองแท่งใหญ่ๆที่ในโบดในเจดีไอไ้ในในศาลาไว้สาหรับทาพิธีเวลาไหว้พระสวดมนต์ก็จุดเทียนปัรษากัน แต่วัดต่างจังหวัดบางวัดนี่ยังใช้เถียนกันมากอยู่เช่นพระสายวัดป่านี่จะไม่นิยอมใช้ไฟฟ้ากันตามวัดต่างๆท่านจะเห็นเห็นทั้งคุณเห็นทั้งโทษของการมีไฟฟ้าเพราะมีไฟฟ้ามันก็ดีอย่างมีแสงสว่างแต่ในขณะเดียวมันก็พาสิ่งที่เป็นกิเลสเข้าไปในวัดเต็มไปหมด ตู้เย็นพัดลมเครื่องปรับอากาศออของทีวออีอะไรต่างๆมันจะต่างเข้าไปในวันถ้ามีไฟฟ้าเนี่ยบนนี้ไม่มีไฟฟ้าเลยไม่มีอะไรตามขึ้นมาแต่มันก็มีมือถือเนี่ยมันตามเขาแต่ไม่มีไฟฟ้าชาร์จก็ต้องชาร์ตข้างล่างกันเวลาตอนเช้าที่นี่ไม่ได้ชันบนนี้ พระเนยจะลงไปที่ศาลาข้างล่างช่วงที่ลงไปบินตาบาทไปฉชนก็เอามือถือไปชาร์จกันที่ข้างล่างพวกนี้มันมีทั้งคุณทั้งโทษเพราะว่ามันจะทำให้ใจแตกทำให้ใจฟุ้งซ่านพอเมื่อไปดูไปฟังแล้วมันก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเกิดความติดเหมือนติดยาเสพติด เวลาไม่ได้ดูแล้วรู้สึกุดเกลียดลำคาญใจเมื่อเช้ามีคนมาพูดว่าเขาเคยมาอยู่ปฏิบัติธรรมแต่เขายังหยุดใช้มือถือไม่ได้ขบวนอุตสานั่งสมาธิเดินโยงกรมพอเสร็จปั๊บต้องรีบมาเปิดดูไลน์นะ <c oughs> ใจส่งออกแนละ้วเดินโยงกรมนั่งสมาธิเพื่อดึงใจให้เข้าข้างใ น, อนพอเดินเสร็จพอเดินเสร็จนั่งเสร็จ กิเลสก็ส่งให้ออกข้างนอกทันทีส่งออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายทันทีถ้าออกข้างนอกแล้วจิตมันจะฟุ้งมันจะร้อนมันจะเกิดความโลภความอยากต่างๆขึ้นมาถึงต้องพยายามดึงมันให้เข้าข้างใ น, นด้วยสัมมาสติเนี่ยพุทโธพุทโธเนี่ยเพื่อดึงใจให้เข้าข้างในเพราะใจเข้าข้างในแล้วเย็นสบายสงบมีความสุข ไม่ต้องมีมือถือไม่ต้องมีทีวีไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีขนมกาแฟาให้เดิมนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พระเนรทํากันคือดึงใจเข้าข้างในสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเลยไม่มีปัญหาพอมีไฟฟ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุธรรมท่านเห็นโทษของมันท่านก็ไม่ให้เข้าที่ว่าป่าบ้านตาที่หลวงตา ท่านสร้างขึ้นมาท่านก็ไม่ให้ไฟฟ้าเข้าในช่วงที่เราอยู่นะแต่ระยะหลังนี้มีญาติโยมเข้าไปอาศัยอยู่กันมาก<ๆ>ก็เลยต้องมีไว้เป็นทางทางที่ญาติโยมอยู่กันผู้หญิงอาจจะลาบากลาบลที่มือดอะไรก็เลยต้องมีไฟฟ้าแต่สำหรับพานเองท่านก็ไม่ให้ใช้ เพราะว่ามันจะมีเครื่องล่อจิตใจให้ไปไปทำกันแล้วจะไม่มีเวลามาดึงใจเข้าข้างไหนไม่มีเวลามาดึงใจให้เดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเนี่ยไฟฟ้าจะมีทั้งคุณมีทั้งโทษสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้านี้เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณสำหรับญาติโยมนี่เป็นประโยชน์กว่า เป็นโทษคือผู้คลองเรือนแต่ผู้ที่ไปอยู่วัดก็ต้องหัดไม่ใช้ไฟฟ้าเหมือนกันไปอยู่ตามวัดที่เขาไม่ใช้ไฟฟ้าก็ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเครื่องอำนวยความสะดวกสบายนี่เป็นเครื่องเสริมความอยากเสริมกิเลสต้องอยู่แบบทะลุ ก, กันดารทุละกันดาร อยู่แบบยากลำบากนี่เป็นเครื่องส่งเสริมธรรมะส่งเสริมขันติความอดทนส่งเสริมความเพียรเมื่อไม่มีอะไรมาล่อใจให้ไปดูไปฟังก็จะมีเวลาไปทำความเพียรได้ไปปฏิบัติธรรมได้นี่คือเรื่องของสิ่งที่เราถวายกัน ในวันช่วงลึช่วงเข้าพรรษานี่ก็ถวายเทียนถวายผ้าน้ําฝนแต่เดี๋ยวนี้ก็มีญาติโยมที่ไปวัดป่าเขารู้ว่าขนาดของผ้าอาบน้ําฝนเป็นอย่างไรงก็เขาก็จะถวายเขาก็จะทํามาเป็นได้ขนาดแต่ถ้าไปซื้อตามร้านนี่เขาจะไม่รู้กันเขาจะคิดว่าเป็นเครื่องประดับมากกว่า เกินประดับ่อผู้เท่นั้นเองเขาไม่รู้ว่าจะาไปใช้ประโยชน์อะไรนยิ่งต้องการที่จะกดราคาให้มันต่ํามันก็ต้องลดปริมาณขนาดของผ้าลงไปเรื่อยๆผ้ามันก็เล็กลงเล็กลงต่อไปก็จะเป็นผ้าเช็นหน้าผ้าน้ําฝนก็จะกลายเป็นผ้าเช็นหน้าไปก็ดูเสีนเนี่ยมันเล็กลงลงไปือยทุกปี แต่สาหรับญาติโยมก็การถวายของอะไรก็ได้บุญเหมือนกันแต่ผู้รับเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากของที่ญาติโยมถวายหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าญาติโยมรู้หรือไม่ว่าท่านต้องใช้แบบไหนขนาดไหนอย่างไรถ้าไปให้ของที่ไม่ถูกขนาดใช้ไม่ได้มันก็ไม่เป็นประโยชน์แต่ญาติโยมก็ ได้บุญเหมือนกันเพราะบุญของญาติโยมนี้ที่ได้คือเกิดจากการเสียสละขาวของเงินทองไปแต่ผู้รับนี้อาจจะได้รับประโยชน์อาจจะไม่ได้รับประโยชน์ก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้รับก็พูดไม่ได้ผู้ให้ก็ถามไม่ได้ก็เลยก็เลยไม่รู้จะทำยังไง พ่อไปถามเดี๋ยวเขาก็บอกว่าตักบาตรอย่าถามพระอีกก็ต้องใช้ปัญญาหรยอว่าถามพวกที่รู้กันพวกที่รู้ก็พวกที่เคยมาบวชเป็นพระอย่างนี้เขาจะรู้การอยู่ของพระเขาอยู่กินกันอย่างไรต้องถามพวกทิศพวกที่เคยมาบวช ถามพวกญาติโยมที่มารับใช้พระม า, อ, าอยู่วัดนานๆก็จะเห็นวิถีชีวิตของพระก็จะมีอะไรก็ถามพระได้แต่สำหรับญาติโยมที่มาทำบุญนี้ก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาได้เรียนรู้ถึงความจาเป็นความต้องการต่างๆญาติโยมทุกคนนี่อยากจะให้ของที่พระใช้ได้กันทั้งนั้น แต่ไม่รู้กันก็เลยคิดว่าสิ่งที่เขาจัดขายเป็นชุดๆเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเนนใช้ได้กันก็เลยซื้อกันเป็นชุดๆกันม า, าซึ่งส่วนใหญ่ของพวกนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ไม่ค่อยได้มาตรฐานแล้วบางทีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเป็นชุดๆพระก็ใช้บาทใบเดียวแต่บางทีสังฆทานที่เป็นใช้บาทเป็น ที่ใส่ก็มีบางทีถวายบาทสิบใบเงี้ยจย่าไปใช้ทำอะไรได้ไแต่ญาิโยมก็ไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ก็อันนี้ไม่ได้พูดเพื่อที่จะอยากได้อะไรก็มีกรณีที่มันเกิดขึ้นก็เลยเล่าให้ฟังเฉยๆสิ่งที่พระเนนส่วนหนึ่งใช้ก็เหมือนญาติโยมใช้นะ่ะใช้ เดี๋ยวนี้ผ้าเขาก็ซักแบบญาติโยมใช้แปบใช้สบูอ่อาบน้ําก็ใช้สบู่เหมือนกันแปรงฟันก็ใช้ยาสีฟันเหมือนกันใช้แปรงเหมือนกันอของพวกนี้ก็ถวายได้ถ้าไปซื้อของที่เป็นชุดเขาก็หาแปรงที่ไม่มีคุณภาพมาหนึ่งแปรงยาสีฟันยาสีฟันหลอดเท่านิ้วโป้งหนึ่งหนึ่งหลอด ยิ่ถ้าอยากจะถวายของใช้พระก็ไปซื้อของเราจัดใส่ของเราเองดีกว่าซื้อสบู่ซื้อแปรงสีฟันยาสีฟันซื้ออะไรต่างๆของพวกนี้จะได้ใช้ได้ประโยชน์มากกว่าไปซื้อพวกที่เขาจัดเป็นชุดๆเนี่ยพยายามอย่าไปซื้อของพวกนั้นเพราะว่ามันจะเป็นขยะมากกว่าไปซื้อของที่ใช้ได้ จะได้บุญมากบุญได้เท่าเดิมแต่พระจะได้ประโยชน์แล้วโยมก็จะมีความสุขที่รู้ว่าได้ถวายของที่พระเอาไปใช้ได้เพราะโยมก็อยากจะให้พระใช้ของที่โยมถวายแต่โยมไปถวายของที่พระใช้ไม่ได้ท่านก็ไม่รู้จะใช้อย่างไรเช่นถวายจีวรมันก็ต้องมีสีของวัดนั้นไปถวายของสีวัดอื่นท่านก็ใช้ไม่ได้เหมือนไป ซื้อเครื่องแบบให้เด็กโรงเรียนของเอกโรงเรียนหนึ่งนี่ไปให้เอกโรงเรียนหนึ่งนี่เด็กมันก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหมเด็กเรียนเตรียมอุดมแล้วไปซื้อของสายปัญญาให้นีมันก็ไปใส่ไม่ได้ก็ต้องใส่ชุดของเตรียมอุดมโรงเรียนสายปัญญาก็ต้องใส่ของสายปัญญาอันนี้ก็เหมือนกันวัดแต่ละวัดเขาก็มีสีผ้าไม่เหมือนกัน บางวัดก็สีกลาบบางวัดก็สีราชนิยม pegar, มันมีแห่มายาดโยมแห็งพระแต่ละวัดไม่สีไม่เหมือนกันผ้าจีวรไม่เหมือนกันก็เป็นเหมือนโรงเรียนวัดก็เป็นเหมือนโรงเรียนผ้าจีวรนี่ก็เป็นเหมือนเครื่องแบบของโรงเรียนนั้นโรงเรียนนั้นเขาก็มีสีของเขาพระที่จะไปอยู่วัดนั้นไปบวชวัดนั้นก็ต้องใช้ผ้าสีของเขาางนั้นก็จะดูแล้วมันขัดหูขัดตา ตอนนี้วัดยา น, นี้ก็จะมีมีมีปัญหาขึ้นมาเรื่องผ้าเหมือนกันเพราะว่าวัดยา น, นี้ตั้งแต่สร้างวัดมาก็ถือธ ร, รมเนียมวัดป่าใช้ผ้าของสีของวัดป่าสีเข้มหน่อยสีสีกักอย่างที่เห็นเนี่ยแต่วัดยา น, นี้ก็เป็นวัดที่สมเด็จพระสังฆราช ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศท่านมาสร้างท่านก็เลยมีตั้งกติกาไว้ว่าวัดยา น, นี้จะต้องมีพระมาจากวัดบวรมาเป็นเจ้าอาวาสทีนี้วัดบวรเขาอยู่ในยุคเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนเขาก็ใช้ผ้าสีกักตามสมเด็จพระสังฆราชพอสมเด็จพระสังฆราชสิ้นไปเขาก็เปลี่ยนเป็นสีราชนิยม สีเหลืองที่นี้เขาก็ส่งเจ้าวาดมาจากวัดโบววัดโบท่านก็ใส่สีเหลืองผ้าที่นี่ก็ใส่สีกักเดีนี้วัดนี้ก็เลยมีสองสีเพราะว่าท่านก็ไม่กล้ามาตั้งกฎให้เปลี่ยนเพราะถ้าตั้งแล้วถ้าท่านไม่เปลี่ยนเดี๋ยวก็เสียหน้าเพราะก็เคยตั้งแต่ตั้งสร้างวัดมานี้ก็ใช้ผ้าสีนี้มาตลอด ถ้าอยู่ดีๆจะมาสั่งให้เปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งนี่โดยไม่โดยไม่มีเหตุไม่มีผลมันก็รับไม่ได้ไที่วัดบวรเขาอ้างว่าเขาต้องเข้าวังบ่อยเลยต้องใช้สีของในวังกันเรียกสีราชนิยมแต่ที่วัดยา น, นี้เราไม่ได้อไปในวังไม่ได้เข้าวังไม่ได้รับเกตินิมนต์ก็เลยไม่ต้องใช้สีราชนิยมก็ใช้สีกลับมา แต่ตอนนี้มีเจ้าอาวาสมาจากวัดบอลท่านก็จะใช้สีราชนิยมทีนี้พระบวชใหม่ท่านก็สั่งให้ใช้สีราชนิยมพระเก่าท่านก็ไม่แตะท่านก็ปล่อยให้ใช้สีกักไปตอนนี้ก็เลยมีสองสีถ้าญาติโยมไปถวายอาหารที่ศาลาในศาลาจะเห็นพระเดี๋ยนี้มีสองสีสีเหลืองกับสีกักสีเหลืองเราเรียกว่าสีราชนิยม คือเป็นสีที่ในหลวงท่านเป็นคนผู้เขาเรียกอะไรคนคว้าศึกษาจากพระตไตรปิฎกท่านก็อยากจะให้พระทุกทั้งประเทศไทยนี้มีผ้าสีเหมือนกันแต่ทีนี้ความเป็นมาของการใช้ผ้าของแต่ละวัดมันมีมันมีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันมันก็เลยมีสีต่างกันในหลวงก็อยากที่จะมาให้พระนี่มีผ้าสีเดียวกัน ที่นีท่านก็ไม่สามารถไปสั่งพระแต่ละวัดได้ท่านก็ทําได้แต่เฉพาะพวกที่จะไปเข้าวังะก็บอกว่าทายเข้าวังไปนับกิจนิมนต์ในวังจะต้องใส่ผ้าสีนี้เอส่วนใครที่ไม่ได้ไปก็ก็ไปบังคับท่านไม่ได้ไปไปสั่งไม่ได้ไม่ถูกต้องอก็เลยเรื่องปัญหาผ้าก็เลยต้องเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี่คือก็มีสีหลากหลายเอ แต่แต่ละวัดนี่ก็จะมีสีไม่เหมือนกันวัดนี้ก็เลยต้องเดี๋ยวนี้กลายเป็นสองสีเมื่อก่อนนี้ก็เป็นสีเดียวทีนี้สมเด็จพระสังฆราชที่ท่านเคยเป็นรักษาการเจ้าวาดที่วัดนี้ท่านสิ้นไปเขาก็เลยต้องส่งพระจากวัดโบว์มาเป็นเจ้าวาดที่วัดนี้ท่านก็ใช้สีราชนิยม ท่านก็ไม่อยากเปลี่ยนสีของท่านพ้าที่นี้ก็ไม่อยากจะเปลี่ยนสีของท่านต่างคนก็ต่างเห็นใจกันแต่อลายเดี๋ยวนี้เป็นวัดสองสีไปเป็นวัดแรกไไในประเทศไทยบางทียังมีมีผ้าสองสีอันนี้ก็พูดจาแล้วเทอะเลื่อยเปื่า ก็มันก็มีเรื่องแปลกๆเรื่องอะไรที่อาจจะญาติโยมไม่เข้าใจก็เลยเล่าให้ฟังบางอะ่าพูดแต่เรื่องธรรมะอยู่อย่างเดียวก็จะได้ไม่ครบไม่ครบเครื่องเพราะธรรมะมันก็มีทั้งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจิตใจทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลต่างๆก็ต้อ ง, ง, งศึกษาให้เกิดความเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วจะได้ไม่สงสัยจะได้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่หลงผิดนี่คือเรื่องของช่วงเทศกาลที่จะตามมาสองวันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมๆกันวันอนณาสาราบูชานี้เกิดขึ้นครั้งครั้งแรกเลย เป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาเพราะวันนั้นเป็นวันที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาพร้อมๆกับคบองสามองค์ความเริ่มต้นด้วยการเกิดของพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าเกิดในวันเพ็ญตัสรุในวันเพ็ญเดือนหกเจ้าชายสิทธัตถะที่บวชเป็นสัมณัโคดมก็เปลี่ยนจากปุตุชนมาเป็นพระพุทธเจ้า แต่ตอนนั้นยังไม่มีพระธรรมคำสอนยังไม่มีพระอริยสงสาวกต่อต่อมาพระพุทธเจ้าหลังจากได้คข้ควรพิจารณาแล้วก็เห็นว่าพอที่จะสั่งสอนสัตว์โลกได้ตอนต้นก็คิดว่าสั่งไม่สอนไม่ได้ยากต่อสัตว์โลกจะปฏิบัติตามได้แต่หลังจากได้วิเคราะห์ดูก็เห็นว่ามีสัตว์โลกหลายชนิดหลายระดับ พวกที่มีปัญญาสามารถที่จะรับไปไปปฏิบัติได้ก็มีพวกที่ไม่มีปัญญาก็มีก็เลยเลือกเอาพวกที่มีปัญญาสอนพวกที่ฉลาดวินยูชนพวกที่ฉลาดที่สุดก็คือพวกนักบวชก็เลยมุ่งไปสอนพระปัญจวคีพอแสดงธรรมก็พระธรรมก็ปรากฏขึ้นมา พอแสดงธรรมเสร็จคนฟังที่ฟังก็บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาเป็นพระโสดาบันขึ้นมาก็เลยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมกันในวันนั้นปรากฏครบองค์ก็เลยถือว่าเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาเป็นวันศาสนาพุทธนี้จะเป็นศาสนาพุทธได้ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้ามีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวไม่มีศาสนาพุทธเช่นพระพุทธเจ้าบางองค์นี้ พอตัดสั้รู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่อยากจะสอนใครไม่อยากจะเหนื่อยก็เลยไม่สอนใครเลยไม่มีพระธรรมให้ผู้ให้สัตว์โลกได้เรียนรู้เมื่อไม่มีพระธรรมให้สัตว์โลกได้เรียนรู้ก็ไม่มีพระอริยสงฆ์ที่จะบรรลุธรรมได้เพราะการจะบรรลุเป็นพระอริยสงฆ์ได้ต้องมีพระธรรมคาสอนเป็นผู้นาเป็นผู้สอนผู้บอกทาง บางทีมีพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้ว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าที่ตรัสโลละไม่บอกใครไม่สอนใครก็จะไม่มีใครรู้เราเรียกพระพุทธเจ้านี้ว่าเป็นพระประเจกะพุทธเจ้าตรัสโลลแล้วไม่ไม่สอนใครก็เลยไม่มีพระธรรมไม่มีพระอริยสงฆ์พอท่านตายไปก็จบ ต้องรอให้พระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสั่งรูแล้วถ้าท่านตัดสินใจไม่สอนก็ไม่มีพระพุทธศาสนาอีกจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าที่ตัดสินใจยอายามสอนนีก็เจ้าพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยหลังจากท่านตัดสั่งรูแล้วตอนต้นท่านก็ไม่อยากจะสอนท่านคิดว่ามันยากอยากต่อพูดที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้สอนแล้วก็เสียเวลาเหนื่อยไปเปล่า ก็เลยไม่อยากจะสอนแต่หลังจากที่ได้วิเคราะห์ได้คิดยากยะดูคนก็แยกจำแนกคนได้สี่พวกพวกบัวสี่เหล่าพวกที่เป็นบัวที่จะโผล่เหนือน้ำได้ก็มีอยู่สามพวกพวกที่ไม่มีโอกาสจะโผล่พวกที่กลายเป็นอาหารของปูปลาพวกนี้ก็เป็นพวกที่มืดบอดสอนไม่ได้สอนก็ไม่ฟังไม่เข้าใจกาห อย่างพวกที่หาว่าศาสนานี่งมงายสอนเรื่องที่ไม่มีใครพิสูจน์ได้สอนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์อย่างนี้เขาก็หาว่างมงายถ้าใครว่าศาสนานงมงายก็เป็นพวกมืดบอดเนี่เพราะเขาไม่รู้สิ่งที่เขามองไม่เห็นกันว่ามีวิธีสามารถทำให้มองเห็นได้ แต่เขามองไม่เห็นเขาก็เลยหาว่างม ง, งายเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องกรรมเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเขาคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระพวกนี้เขาเห็นว่าตายแล้วก็จบใช่ไหมตายคือร่างกายร่างกายตายแล้วก็จบแล้วใครไปสวรรค์ใครไปนรกใครไปเกิดใหม่เขาคิดว่าจิตใจกับร่างกายเป็นอันเดียวกันผู้รู้ผู้คิดคือสมองไงใช่ไหมเรามักจะมองว่าเนี่ย คิดมากๆแล้วปวดสมองออออควาจริงไม่ใช่สมองที่คิดหรอกผู้ที่คิดคือใจเรียงแต่ใจนี้สั่งให้สมองทำงานอีกทอดหนึ่งสั่งให้สมองเ อ, อเอารูปเสียงกินรถเนี่ยรูปเสียงกินรสนี้ต้องผ่านทางสมองเนื้อเวลาร่างกายจะขยับเ ย, ยื่อนนี้ต้องสมองเป็นผู้สั่งงาน แล้ยกแขนยกขานี้ใจสั่งก่อนสั่งให้ยกแขนแล้วสมองก็ถึงไปสั่งอีกทอดอย่างสั่งให้แขนยกขึ้นมาได้คนที่ไม่คนที่ไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายก็จะคิดว่าใจเป็นร่างกายพอร่างกายตายไปก็จบใครไปรับผลบุญผล บ, ญบาปเมื่ออยู่ในดินถ้าเป็นถ้าศาสนาที่เขาฝังศพก็มันก็อยู่ในดินเอ ถ้าศาสนาที่เผาก็กลายเป็นกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปแล้วใครไปรับผลบุญผลบาปใครไปนรกไปสวรรค์ก่อนที่ไม่เห็นไม่เข้าใจว่าใจนี้เป็นผู้ไปเขาก็จะไม่เชื่อเรื่องราวเหล่านี้สอนยังไงก็เสียเวลาเปล่าๆาพระพุทธเจ้ากไ็ไม่สอนพวกที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อการเวียนว่าตายเกิดไม่เชื่อนรกสวรรค์ไม่เชื่อว่ามีดวงวิญญาณ ที่ออกจากร่างกายนี้ไปที่ไปรับผลบุญผลบาปอีกทีส่วนพวกที่เชื่อก็สอนให้ทำบุญล่้าบาปแล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมก็พัฒนาจากขั้นต้นก่อนเป็นคารวะก็สอนให้ทำบุญลนบาปรักษาศิงแล้วก็หัดไหว้พระสวดมนต์หัดนั่งสมาธิต่อไปพอนั่งสมาธิได้ก็ ก็อาจจะอยากจะออกบวชต่อไปออก็จะได้ปฏิบัติสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะได้เป็นนักบวชพอเป็นนักบวชก็สามารถจเจริญมรรคแปดได้อย่างเต็มที่จเจริญมรรคแปดได้ก็จะละตัณหาความอยากได้หมดออความทุกข์ทั้งหลายก็จะถูกกาจัดให้หมดสิ้นไปจากใจการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่ต้องมีมาอีกต่อไปออนี่ก็ คือการตัดสินพระทัยของพระเจ้าที่จ ะ, สะแสดงธรรมพอสแสดงธรรมวันแรกก็ก็ได้ผลเลยเหมือนไปตกปลาครั้งแรกก็มีปลาติดเลยทําให้พระเจ้ามีกําลังใจที่จะสอนต่อสอนครั้งแรกก็มีพระอริยสงฆ์ปรากฏขึ้นมาพอสอนครั้งที่สองครั้งที่สามก็มีพาาระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาห้ารูปเลยเลยมีกําลังใจเลยไปสอนพวกที่เป็นนักบวชต่างๆ ไปสอนที่สำนักหนึ่งมีนักบวชห้าร้อยคนพอแสดงธรรมเสร็จบรรลุปเป็นพระหลานห้าร้อยคนเลยพร้อมกันเลยเพราะพวกนี้เขามีปัญญาเขามีสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วเขากาดสมาทิฏฐิท่านเองเขาจะเล่าสอนสมาทิฏฐิคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอริยสัจ ส, สีให้เขาเขาเข้าใจเขากะละตั้นหาความอยากได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ฉลาดบอกให้พวกที่บรรลุแล้วแยกทางกันไปเผยแผ่ความรู้กระจายไปทิศ ต, ต่างๆไปไปเสาะพอไปสแสดงธรรมให้กับคนที่เขาไม่ได้ยินแต่เขามีความสามารถเขาก็สามารถบรรลุไดใ้ในระยะเวลาเจ็ดเดือนแรกนี่มีพระ อ, อรันขึ้นมาต้องหนึ่งพันสองรอยห้าสิบรูป ทำไมเรารู้ว่ามีอย่างน้อยหนึ่สองรห้าสูปก็เป็นวันมาค้าบูชาที่มีพระอรหันต์ที่ไปเผยแผ่ธรรมะตามที่ต่างๆไปสอนก็มีลูกศิ์ลูกฮับบรรลุเป็นพระอรหันต์กันก็อยากจะมากราบพระพุทธเจ้ากันก็เลยเดินทางมาจากทิศ ต, ต่างๆโดยที่ไม่ได้ดัดหมายกันหนึ่งพันสองร้้ารูปนี่คือการเผยแผ่าศาสนาในยุคแรกๆ เผยแผ่ได้มีประสิทธิภาพมากพอแสดงธรรมก็ บ, บรรลุกันทั้งนั้นเป็นพระอาหารกันแต่มาถึงยุคนี้แล้วมันยุคปลายแล้วถ้าเป็นมะพร้าวก็เป็นน้ําที่สิบที่ยี่สิบแล้วบีบยังไงกะทิก็ไม่มีมีก็จางไม่เหมือนน้ํากะทิแรกนะน้ําแรกของน้ํากะทินี้เข้มขนนะ้น เพราะว่าพระพุทธเจ้าเอาพวกที่ฉลาดไปหมดนะเหลออแต่วพวกที่โง่ง่าที่ต้องคอยสั่งคอยสอนคอยพูดคอยบอกซ้ำซํำแล้วซ้ําอีกเรื่อยๆหลายก็ยังไม่หมดหวังนะขอขอให้พยายามฟังไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆแล้วพยายามเพียรปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เองแต่ต้องช้าหน่อย คงจะไม่ใช่พวกเจ็ดวันเจ็ดเดือนอาจจะต้องเป็นพวกเจ็ดปีต่ก็ยังมีหวังอย่าอย่าท้อแท้ให้กำลังใจคนสอนพยายามมาฟั ง, ม า, ฟงมาศึกษามาปฏิบัติอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะได้ผลเองนี่ก็เรื่องของวันที่จะมาสองวันข้างหน้านี้วันอาสาห บ, บูชากับวันเข้าพรรษา ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิตโตทินงังเปตานังอุปกาปติยิทิตังปัติตังตุมหังคก็บป้าเมวะสมิจตโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาหราโสยถามณิโจติราโสยถาสัพพิตโยวิวัจฉันตตสัพพโรโควินัสโตมาเตภวัตตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวา อะพิวาธนสีลิตนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook 345 YouTube 159วิทยุออนไลน์34รับฟังบนเขา65รวมทั้งสิ้น603ท่านค่ะโอเคมีคําถามเลย oh, <okay. S 2> เดี๋ยวเอาไมครโฟนไปกัน ว่ามาอพอดีสงสัยนิดนึงนะฮะที่ว่ามันมีคํากล่าวที่ว่าเด็กเกิดมามันเหมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์อ่อ ไ, อไอ้ใจความเชื่อนี่มันเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือว่าเป็นมิจฉาหรือเปล่าจ้ะถ้าร่างกายก็เป็นผ้าขาวบริสุทธิ์อ่ะ <c oughs> แต่เรแต่เราแต่เราต้องเชื่อว่าแต่ใจนี้มันสกรปรกเหมือนผ้าขี้ริ้วอ่ะเพราะใจนี้มันถูกกิเลสตันห้ามคุกเข่าอยู่ตลอดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเั้นใจนี้สกปรก แต่ร่างกายมันก็เพิ่งเริ่มต้นี่ยังไม่มีโรคภัยเกศไม่มีเชื้อโรคเชื้อเลืกอะไรเข้าไปในร่างกายถ้าร่างกายก็เป็นเหมือนร่างกายที่ยังไม่มีอะไรถ้าพ่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องการจะให้ลูกเป็นยังไงแล้วก็เขาที่เขาบอกว่าแล้วแต่เราจะวาดให้เด็กเขาเป็นยังไงนี้อย่างงี้ถือว่าเป็นมิจฉาหรือเปล่าอาจารย์ก็บางทีเด็กบางคนมันเป็นพวกที่สอนได้ก็สอนได้ เด็กท so ี่สอนไม่ได้ก็สอนไม่ได้คือสอนได้ตอนต้นน่ตอนที่มันเป็นเด็กมันกลัวพ่อแม่สอนอะไรมันก็เชื่อฟังไปหมดพอมันโตขึ้นโตขึ้นมันก็เริ่มแข็งขึ้นแข็งขึ้นเริ่มเริ่มดื้อขึ้นดื้อขึ้นว่ามันเริ่มจะมีกําลังไปทำอะไรของมันเองได้มันก็ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่มันก็เลยไม่ฟังพ่อแม่แต่ตอนที่มันยังต้องพึ่งพ่อแม่มันก็ต้องฟังถ้าดื้อก็ถูกตี หรือมันก็ถูกอตัดค่าขนมอะมันก็เลยต้องฟังไปก่อนเพะฉนั้นมันมันก็อยู่ที่ว่าจิตดวงนั้นเป็นจิตที่สอนได้หรือสอนไม่ได้จิตบางดวงก็สอนได้บางดวงก็สอนไม่ได้สอนได้เฉพาะช่วงที่เขาอยู่อาศัยกับพ่อแม่พอเขาออกจากบ้านไปหรือว่าเขาเริ่มอ เป็นตัวเป็นตนของเขาเองเขาก็จะไปทำตามนิสัยสันดานของเขาต่อไปแต่ก็ต้องสอนเพราะว่าอย่างน้อยก็ทําให้เขาได้มีได้ได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาแต่เขาจะรับได้ไม่ได้นี่ก็อยู่ที่ตัวเขาเองหมายว่าเด็กเกิดมานี่มันก็คือเขามีมีคือมีไม่ไม่ได้มีความบริสุทธิ์จริงๆใช่ไหมครัอาจารย์ อา้าวก็จิตของเรานี่แหละที่ตายเป็นจิตตอนนี้เราบอยสุดหรือเปล่าไม่บอยสุดเราเป็นได้นั่งกายใหม่แล้วมันจะบอยสุดขึ้นมาหรือเปล่าอ๋อมันก็คนเดิมแหะคนเดิมเปลี่ยนนั่งกายใหม่หรือหรือคนเดิมเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เนี่ยมันก็มันก็ยังเหมือนเดิมอยู่อะยังกินเหล้าอยู่ก็ยังกินเหล้าต่อไปอยังเล่นการพนันก็เล่นการพนันต่อไปถ้าบวชก็จะกลับมาบวชอ่าผ้าที่ตายไปนี่บางทีกลับมา พอเป็นเด็กมีโอกาสได้เข้าวัดก็บวชเนเลยเห็นไหมแล้วแต่จังหวะโอกาสบางทีเคยบวชแต่พ่อแม่ไม่ไม่เข้าวัดไม่มีโอกาสไปวัดมันก็ไม่ได้เข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศเดิมเอมันก็เรายัางไม่รู้ว่ามันต้องการสิ่งนี้แต่พอมันไปเจอวัดเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศเดิมว่าเอยนี่ถูกกับเราเนี่ยว่ะก็อยากจะบวชขึ้นมาเอ บาที่ไม่เคยค่อยกินเหล้าถ้ายังไม่ได้ไปบาร์ไปผับมันก็ยังไม่ได้กินเนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านบ้านไม่กินเหล้ามันก็ไม่ได้กินเนี่ยแต่ถ้าเกิดหลงเข้าไปบาร์ผับมาไหนนี่ยโอ้ยมันติดลเลยใช่ไหมเชื้อเก่ามีไงอยู่ที่เชื้อเก่าเชื้อเก่ามีอะไรพอไปเจอเชื้อใหม่มันก็ดูดกันเลยเหมืนอนเข้าใจยัง อือฮะอุตส่าห์ไม่น่าจะถามคำถามแบบนี้เลยคิดว่าปฏิบัติมาไม่รู้เรื่องของจิตใจเลยเหรอจิตใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายาร่างกายเป็นเพียงพาชนะเป็นเหมือนรถยนต์เนี่ยคนขับรถเปลี่ยนรถใหม่แล้วขับจะเปลี่ยนวิธีขับไหมก็ขับเหมือนเดิมเคยสวิตสวะดก็สวิตวัเหมือนเดิมเคยขับแบบ เรียบร้อยก็จะขับแบบเรียบร้อยไปแต่รถเปลี่ยนใหม่แต่คนขับไม่เปลี่ยนวิธีการขับรถไม่เปลี่ยนาใจยังแต่คนไม่ถ้าคนไม่รู้เรื่องจิตเขาก็จะว่าเด็กนี้เป็นเหมือนผ้าขาวใช่ไหมเพราะมันเพิ่งเกิดมาเนี่ยมันยังไม่ได้รับรู้อะไรใช่มันไม่ได้รับรู้เรื่องของในโลกนี้ แต่มันเรื่องที่มันเคยรับรู้ที่ฝังอยู่ในจิตในใจมันมีนมอยู่อันนี้เขาไม่รู้ว่ามากับร่างกายด้วยเขคิดว่าร่างกายนี้มาจากพ่อแม่แล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษไม่รู้เรื่องอะไรก็ตามต้องสอนทุกอย่างถึงจะรู้แต่ควจริงมีเรื่องที่ไม่ต้องสอนมันมันก็รู้อยู่แล้วเรื่องโลภโกรธหลงนี่ไม่ต้องสอนใช่ไหม เรื่องรักเรื่องชังเรื่องกลัวเรื่องหลงนี้ไม่ต้องไปสอนมันแะ่มันติดมากับใจอยู่แล้วเห็นอะไรที่เคยชอบก็ชอบขึ้นมาทันทีเห็นอะไรที่เคยเกลียดพอเจอก็เกลียดขึ้นมาทันทีอันนี้ไม่ต้องสอนสอนไม่ได้เข้าใจนะโอเคมีใครอยากจะถามไหมอยู่ขวกงบนนี้มีอะไรบางเดี๋ยว ถ้าไม่มีจะเอาคำถามทางบ้านด้คํคำถามแรกจากคุณเบรธค่ะพระอาจารย์เจ้าคะรูปเรียนถามตอนที่หลวงตามหาบัวท่านละสังขารพระอาจารย์รู้สึกอย่างไรและทำอย่างไรให้จิตสงบตอนนี้ลูกอยู่ในสภาวะนั้นแม้จิตจะรู้ว่าทุกสิ่งมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ยังสอบตกในสนามจริงตามดูอาการของจิตอย่างถียิบแต่ยังมีแต่ยังมีการปรุงเจ้าคะ่ะ ก็ก็ซ้อมต่อไปซ้อมให้มันหยุดปรุงให้มันปล่อยวางให้มันยอมรับความจริงว่ามีเกิดก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคำถามข้อต่อไปค่ะพระอาจารย์คะการทานเนื้อสัตว์ถือว่าเบียดเบียนชีวิตไหมครับไม่หร้วถ้าไม่ไปฆ่าเขา ไม่ไปสั่งให้เขาฆ่าทำเองก็ดีสั่งให้คนอื่นทำให้ก็ดีถึงจะเรียกว่าเบียดเบียนแต่ถ้าอยู่ดีๆออมีคนก็เอามาให้ของที่ตายแล้วจะกินไม่กินมันก็ตายอยู่ดีใช่ไหเ อ, อเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการไม่เบียดเบียนเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเขาเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการเบียดเบียนออแต่ก็มีพวกที่ เขาเรียกพวกเจลาห์แหลมคมก็อ้างว่า<ข>ก็เพราะการกินนี่แหละไปสนับสนุนให้เขาฆ่า อ, อันนี้กเ็เป็นเรื่องของคนฆ่ามันไม่ได้เรื่องของคนกินคนกินมีกินก็กินไม่มีกินก็ไม่กินส่วนจะกินแล้วไปสนับสนุนคนฆ่าก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเร า, เราไม่ได้สั่งให้คนฆ่าก็าฆ่าอ ถ้าเราไปสั่งล่วงหน้าไว้ว่าพรุ่งนี้เอาไก่สามตัวอย่างเงี้อยอย่างเงี้ยเป็นการสนับสนุนให้เขาค่าเพราะเราไปบอกเขาสั่งเขาแตถ้าเราไม่ได้ไปสั่งเขาไปที่ร้านเขาไปดูว่าเขามีไก่ตายไหมถ้ามีก็ซื้อมากินอย่างนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับเราเพราะเขาค่าก่อนที่เราไปทำํคำคําถามข้อต่อไปจากทางไลน์คุณทิต้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ ขอโอกาสเรียนถามว่าทำไมสัญญาความจำลูกมันมักจะหายไปบ่อยๆทั้งที่เพิ่งจะผ่านเรื่องราวมาค่ะต้องระลึกอยู่สักพักถึงจะจำได้หรือบางเรื่องก็จำไม่ได้เป็นเพราะจิตเราเป็นอะไรเจ้าคะหรือเป็นอาการทางสมองลูกเริ่มงงว่ามันเริ่มผิดปกติขึ้นบ่อยๆแล้วจะแก้อย่างไรคะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเพราะว่าความจาส่วนหนึ่งก็เสื่อมไปตามอายุ พอมีอายุมากความสามารถที่จะจดจามันก็น้อยลงไปอันนี้ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบจำมันก็เลยไม่จำคนที่ชอบจำเขาก็จะคอยจดคอยจำอยู่เรื่อยๆ ถ, ถ้าอยากจะจำได้มันก็ต้องคอยจดคอยจำคอยนึกถึงเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆมันถึงจะจำได้ ท่านอยากจะจำว่าคนนี้ชื่ออะไรก็พอรู้จักเขาแล้วก็ต้องกลับเวลาไม่เห็นหน้าเขาก็ต้องนึกอยู่เรื่อยๆว่าคนนี้มันชื่ออะไรท่องไว้เรื่อยๆเหมือนก็ท่องสูตรคูนี้ท่องกอไก่ข้อไข่ที่เวลามันแก่ลงแก่ลงมันคงจะขี้เกียจท่องอมันก็เลยจดไม่ค่อยจดไม่ค่อยจำกัน คำถามข้อต่อไปจากคุณซันนี่ค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นพระโสดาบันแล้วหรือยังโดยเฉพาะข้อที่เป็นส ก, กายาทิฐิที่หมายถึงการเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเรายึดมั่นถือมั่นในระดับหนึ่งอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายขยายความของส ก, กายาทิฐินี้ให้ชัดเจนมากขึ้นหน่อยเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะก็คือ ตอนนี่เราเห็นผิดไงเราไปเห็นว่าร่างกายเป็นของเราพอมีคนมาบอกว่าร่างกายนี้ไม่จะเป็นของเราเจ้าของเขาจะมาเอาคืนไปก็ให้เขาไปถ้าเรายอมยกร่างกายของเรานี้ให้เขาไปคือให้ย ม, มาบาลไปก็แสดงว่าเราละสักกายทิฐิได้เราเห็นว่ามันไม่ใช่ของเร า, เ, าเมื่อยอ ม, มาบาลต้องการก็ให้เขาไปคือยอมตาย ยอมให้ร่างกายตาย st, โดยที Iron, ่ไม่มีความอยากให้มันไม่ตายเมื่อยอมให้มันตายมันก็มันก็จบความทุกข์ที่เกิดจากการอยากให้ร่างกายไม่ตายก็ไม่มีถ้าเรารู้ว่าเราไม่กลัวตายเรารู้ว่าเราไม่กลัวเจ็บเรารู้ว่าเราไม่กลัวแก่ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่เท่าเท่ากันแก่ก็แก่ก็ไม่ทุกข์ ไม่แก่ก็ไม่ทุกข์เจ็บก็ไม่ทุกข์ไม่เจ็บก็ไม่ทุกข์ตายก็ไม่ทุกข์อยู่ก็ไม่ทุกข์เท่ากันถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่ปล่อยคำถามเข้าต่อไปจากทาง facebook ค่ะกราบเรียนถามครับจะอยู่กับวิบากผลกรรมทุกข์สุขอุเบกขาเวทนาอย่างไรไม่ให้ยึดติด ต, ตัญหาหรือสังโยชน์ซึ่งวิบากผลกรรมอวิชชาพาวนครับ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับก็ต้องฝึกโอเบคขาไงต้องทำจิตใจให้เป็นโอเบขาววางเฉยแล้วก็จะไม่ทุกข์กับวิบากกรรมต่างๆ คำถามข้อต่อไปจะคุณฤทธิ์เบสค่ะอยากถามว่าพอดีที่บ้านมีแมวจรจัดมาทาให้วุ่นวายมากเข้ามาในบ้านกัดของในบ้านฉี่ใส่บ้างหลายๆอย่างอยากจะถามว่าถ้าเราเอาไปปล่อยตามป่าจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกเพียงแต่ไม่เมตตาเท่านั้นเองสวดมนในบ้านและวสวดได้แผ่เมตตาได้พอจเจอแมวแผ่ไม่ออก ถ้าแผลออกก็เลี้ยงมันก็จัดที่มันสอนมันได้หรือถ้าถ้าไม่ได้ก็ลองไปส่งไปที่เขามีคนดูแลอุปถัมภ์ก็ได้แต่ถ้าทาไม่ได้อยากจะไปปล่อยก็ไม่บาปแตงแต่ว่าไม่เมตตาท่านนีงคำถามข้อต่อไปจากคุณพีโก้ค่ะเรียนถามพระอาจารย์เรียนถามพระอาจารย์ค่ะ เวลาเกิดความโลภเราก็รู้ความโลภเข้าครอบงำถ้าไม่เกิดความโลภความโลภยังอยู่ที่จิตหรือไม่คะอ่าก็ดูไปสิถ้ามันยังโผล่ขึ้นมาก็ยังอยู่มันพผถ้ามันไม่โผล่ขึ้นมามันหายไปตลอดเอมันก็หายไปก็ต้องคอยดูเหมว่ามันมันมันยังโลภอยู่เปล่ายังอยากกินกาแฟอยู่เปล่ายังอยากดูยังยังอยากจะดูลายอยู่เปล่าเอ นี่ก็คือความโลภแล้วความโลภนี้เราอาจจะเข้าใจว่าหมายถึงว่าโอ้ยเราต้องอยากได้นู่นมากๆถึงจะเรียกว่าโลภไม่ใช่อยากอะไรปั๊บมันก็โลภแล้วคำว่าโลภก็คือความอยากอยากได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณฮอลลี่ค่ะควรจะใช้อุบายใดในการกระตุ้นและยึดเหนี่ยวเพื่อพัฒนาการนั่งสมาธิและการปฏิบัติธรรมไม่ให้ย่อหย่อนท้อถอยและเบื่อหน่ายเจ้าค่ะก็ต้องมันฝึกสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับท่องพุโทโธไปได้ท่องไปทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดกบพุโทโธพุธโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิด คำถามข้อต่อไปจะคุณสุคุงค่ะสอบถามเรื่องการปฏิบัติเจ้าค่ะหากใจเราปรารถนาในการปฏิบัติอยู่แล้วแต่ทางโลกเรายัางคงต้องทำหน้าที่อยู่พระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับคำว่าธรรมะจัดสรรมันหมายถึงบุญกรรมบุญกรรมเก่าของเราจะจัดสรรให้ข้าพเจ้าได้เข้าถูกต้องใช่ไหมเจ้าค่ะขอความเมตตาด้วยเจ้าค่ะคือธรรมะจัดสรรก็คือเหตุการณ์ พาให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาแต่บางทีถ้าเราปล่อยให้ธรรมะจัดสรรมันอาจจะไม่ทันการก็ได้เราจะต้องจัดสรรเองคือจัดสรรเวลาบางคนก็มีธรรมะจัดสรรเช่นเมียตายลูกตายตกงานไม่รู้จะทำอะไรไปบวชอย่างนี้นเรียกว่าธรรมะจัดสรร นี่ถ้าเกิดเมียไม่ตายลูกไม่ตายสามีไม่ตายยังมีงานทำอยู่จะทำไงเราก็ต้องจัดสรรเองก็อยากกับเมียอยากกับสามีแล้วก็ส่งลูกยกลูกให้คนอื่นไปเหมือนพระเวสสันดรยกลูกให้คนอื่นไปแล้ออกจากงานถ้าถ้าไปรอให้จัดสรรเดี๋ยวมันต้องรอแก่อายุหกสิบกว่าถึงจะมีโอกาสได้ไปบวชเนี่ย ไปบวชตอนแก่มันก็ไม่ไหวแล้วไม้แก่ดัดยากงั้นบางทีจะรอธรรมจัดสรร์อย่างเดียวก็ไม่พอแต่บางครั้งมันก็เรื่องของธรรมะจัดสรร์เอบางทียังไม่พร้อมจะไปแต่ธรรมะบอกว่าต้องไปแล้วเช่นหลวงปู่ขาวนี่ท่านก็ก่อนที่ท่านบวชท่านก็มีภรรยาแล้วพอดีท่านไปพบว่าท่านภรรยาท่านมีชู้เอ ท่านก็เกิดความโกรธเต็มอยากจะฆ่าภรรยากระชู้แต่พอได้สติว่าเอ้ยถ้าเราไปฆ่าเขาเราก็ร้ายกว่าเขาเล็วกว่าเขาท่านก็เลยเห็นโทษของการมีชีวิตของคาลวะว่ามันต้องทุกข์มันจะต้องผิดหวังมันจะต้องสูญเสียสิ่งที่รักไปท่านก็เลยตัดสินใจยกภรรยาให้ชู้ไปแล้วก็ ออกบวชไปบวชเนี่ยนี่ก็เรียกว่าธรรมะจัดสรนเหตุการ์มันทําให้เกิดบังคับให้เราต้องไปบวชเองพระพุทธเจ้าก็ธรรมะจัดสรรพอมีลูกพอได้ข่าวว่าลูกมีลูก ก, ก็อยู่ไม่ได้แนละ้วเป็นบ่วงแนละ้วลูกก็คือบ่วงลาหุนก็เลยต้องออกจากวังในคืนนั้นไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนใช่ไหมเวลาจะไปนี่ไปแบบกระทันหันเลย แล้วก็ดีอย่างไปบวชไม่ต้องเอาอะไรไปการไปบวชนี่คือการทิ้งทุกอย่างไว้เอาแต่อิสรภาพไปทางนั้นเองเอาแต่อิสรภาพคือเวลาที่จะไปใช้กับการปฏิบัติถ้าอยู่ต่อไปก็ไม่มีเวลาปฏิบัติต้องมาคอยเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลประเทศอย่างในหลวงท่านก็เคยปรารบมาก่อน ท่านเคยมาสนทนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราชบนเขานี่รอเก้านะท่านก็บอกว่าอาย them, ุหกสิบนี่อยากจะบวชแล้วอยากจะมาปฏิบัติธรรมบนเขานี่เนี่ยเขาถึงเตรียมทําทางทําอะไรทําไฟฟ้งไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อรับเสด็จท่านตอนนั้นท่านยังไม่หกสิบห้าสิบกว่าแต่พอถึงอายุหกสิบท่านก็บอกว่าไปไม่ได้ บ้านเมืองวุ่นวายบ้านเมืองไม่สงบอันนี้ธรม ร, ธรมะจัดสรรรอธรรมะจัดสรรไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนบางคนมีธรรมะจัดสรรบางคนไม่มีถ้าไม่มีถ้าอยากจะมีธรรมะก็ต้องจัดสรรเอง <c ười> คืออย่าไปรอแต่พรสวรรค์ต้องรอพอรแสวงมั่งถ้าไม่มีพรสวรรค์ก็นอาพรแสวงต้อง ต้องดินหล่นหามันเองถ้าม่นั่งมอมืองอเท้ารอให้ซ่อมหลน่นมันอาจจะไม่หลน่ <c oughs> นนะเข้าใจไหม <c oughs> คำถามข้อต่อไปจากคุณทวิชาค่ะอยากเรียนถามว่าเมื่อจิตรวมแล้วถึงแม้เราลืมตาจิตก็ยังรวมอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้เราควรทำต่ออย่างไรคะ ก็พยายามรักษาให้มันรวมไปเรื่อยๆด้วยการอย่าคิดควบคุมความคิดไว้พุโทโธพุโทโธไปจนกว่าเรามีความสามารถที่จะควบคุมมันได้ทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิแล้วอยู่นอกสมาธิเราถึงค่อยมาจเจริญปัญญาต่อเพราะการจเจริญปัญญาจะต้องคิดถ้าเรายังควบคุมความคิดไม่ได้เดี๋ยวคิดแล้วเดี๋ยวมันจะตะเตลิดเปิดเปิง เ, เดี๋ยวมันจะฟุง้งเราจะหยุดไม่ได้ยึงไม่อยากให้ไปทางปัญญา ถ้ายังควบคุมความคิดไม่ได้อย่างเต็มที่ถ้าเราเหมือนกับขับรถถ้าเรายังควบคุมรถไม่ได้เต็มที่อย่าเพิ่งไปออกถนนใหญ่หัดขับรถอยู่ในซอยในบ้านไปก่อนพอรู้ว่าเราควบคุมรถได้แล้วเราค่อยออกไปที่ถนนใหญ่การฝึกสมาธิก็เป็นการควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์ควบคุมความอยากต่างๆเพียงแต่ว่ามันไม่ทาลายท่นั้นเองสมาธิ เพีงแต่กดมันไว้หยุดมันไว้แต่พอปล่อยปล่อยมันไปคิดปั๊บเดี๋ยวมันแวบออกไปทางกิเลสเมื่อไหร่มันมันฟุ้งขึ้นมาเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ทันทีแล้วถ้าไม่มีไม่ไม่มีกําลังจะหยุดมันมันก็จะเหนื่อยก็ต้องปล่อยมันฟุ้งไปจนกว่ามันจะหมดแรงแต่ถ้ามีสมาธิพอรู้มันฟุ้งปั๊บก็หยุดมันได้ทันทีพุทโธพุทโธเอลึก มีสมาธิไม่ต้องพุโทโธเพียแต่รู้ว่าคิดก็บอกให้ไม่คิดได้มันก็หยุดคิดได้ดั้นถึงถ้ายังสติถ้าสมาธิสติยังไม่มียังไม่แก่กล้ายังไม่เต็มที่เต็มร้อยยังไม่ได้อัปปนานี่อย่าพิ่งไปให้มันได้อัปปนานก่อนถ้ามีอัปปนานแล้วก็ต้องอัปปนานหลายๆลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวครั้งเดียวยังอาจจะว่าพลุกก็ได้ ต้องอัปปนาได้ทุกครั้งทุกวันทุกทีเวลานั่งทีไรก็เข้าอัปปนาได้ทุกทีถ้าได้อย่างนั้นแล้วทีนี้ก็ไปทงปัญญาได้คําำถามข้อต่อไปจากคุณสมุนทาค่ะคนเราอยู่ด้วยกันเวลาโมโหถึงกับฆ่ากันเป็นเพราะวิบากหรือเปล่าคะไม่หรอกเป็นเพราะกิเลสไงความอยากอยากให้ก็ทำอะไรพอเขาไม่ทำเราก็โกรธเขาอยากได้อะไรเขาไม่ให้ก็โกรธเขา แล้วถ้าไม่มีสติยับยังก็ก็อยากจะฆ่าเขาแล้วถ้าไม่มีสติยับยังความอยากฆ่าก็จะไปฆ่าเขาต่อแต่ถ้ามีสติพอรู้ว่ากำลังจะโกรธก็หยุดมันได้เรือโกรธแล้วก็หยุดมันได้มันก็จะไม่ลามปลามออกไปถึงกับการอยากไปฆ่าไปฆ่าเขา คำถามข้อต่อไปจากคุณโหน่งค่ะกราบนมัส ก, การพระคุณเจ้าครับตอนนี้กระผมอยู่หน้าห้องไอซีกระผมอยากถามพระคุณเจ้าว่าร่างกายของคนป่วยมีสภาพที่มือเท้าเขียวหมดแล้วแต่ผลตรวจของหมอและเครื่องมือบอกว่าปกติการหายใจของคนป่วยกําหนดลมหายใจเป็นปกติดูสงบมากอาการนี้เกิดจากอะไรครับเราไม่รู้หรอกต้องถามหมอเฉย ร่างกายเราเป็นอะไรเรายังต้องไปหาหมอเลยเรื่องร่างกายเราไม่รู้หรอกมันจะเป็นอะไรก็รู้แค่ตามความเป็นจริงนั้นเองรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเอถ้ารักษาได้ก็รักษามันรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปเรารู้แบบนี้ไม่ได้ไปรู้ลายละเอียดว่าร่างกายเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นนี้เป็นเพราะอะไรเราไม่รู้ก็รู้ว่ามันเป็นเพราะ อ, อันนี้จังเนะั้อ มันเปลี่ยนแปลงร่างกาย ม, มีการเจริญแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีการเสรื่อมไปเป็นธรรมดารู้แค่นี้รู้แล้วก็พยายามสอนใจให้อย่าไปวุ่นวายกับมันยอมรับมันเพราะไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้คำถามข้อต่อไปจากคุณเบญจาค่ะ กราบพระอาจารย์ค่ะหนูแต่งงานมา8ปีตอนนี้ยังไม่มีบุตรค่ะการตัดสินใจมีบุตรของหนูมีแต่ความคิดที่อยากมีและไม่อยากมีจึงขอเมตตาจากพระอาจารย์ว่าหนูควรพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรคะกราบพระอาจารย์ค่ะอ๋อก็คืถ้าอยากมีบุตรแล้วพอมีแล้วบุตรเกิดมาพิการเป็นยังไงพิการทางสมองเป็นยังไงเป็นโรคเ อ, อ๋อเป็นออทิสติก หรือพิการทางร่างกายแขนขาดขาขาดหูหนวกตาบอดหรือมีโรคโรคติดตัวมาตั้งท้องแล้วหมอบอกว่าต้องทําแท้งจะทํำยัำยงไงเคยคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้บ้างไหมเปล่าไปคิดว่าหมาพอตั้งท้องลูกออกมาจะต้องเป็นสวยเหมือนตุ๊กตาในฝันเนี่ยใช่ไหมไปคิดแต่อย่างนั้นกันแล้วพอมันออกมาแล้วถึงแม้มันจะไม่เป็นอะไร คิดถึว่ามันจะดีเดี๋ยเดี๋ยวเกิดมันดื้อเราจะทำไงเกิดมันดาเรามันว่าเรามันโกรธเราจะไปทำอะไรกับมันให้คิดถึงด้านลบบ้างอย่าไปคิดถึงแต่ด้านบวกถ้าเห็นด้านลบแล้วมันจะรู้ว่าการมีลูกมันทุกข์มันเป็นบ่วงคล้องคอเราเป็นภาระที่เราต้องเลี้ยงดูเป็นเจ้าหนี้เราอยู่ดีๆไปอยากไปเรียกเจ้าหนี้มาทาไม เลี้ยงลูกคนนึ่งนี้หมดไปกี่แสนกี่ล้านถ้าไม่มีลูกนี่โอ้เป็นเศรษฐีเงินแสนเงินล้านขึ้นมาแล้วใช่ไหอก็อไปคิดเอาเองถ้างโง่ก็อยากมีลูกถ้าฉลาดก็ไม่เอาอคำถามข้อต่อไปจากคุณอ้ำค่ะ กลับถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าพุทธศาสนาจะตั้งอยู่อีกนานเท่าไหร่เจ้าคะตามพุทธธรรมนายและจากนี้เราจะมีที่พึ่งพระอริยสงฆ์สั่งสอนธรรมกับคารวาะอย่างต่อเนื่องไหมาเจ้าคะและธรรมะที่ท่านทรงแสดงเราจะพึงรู้ได้อย่างไรว่าถูกตามธรรมวินัยเจ้าค่ะขอคําแนะนําด้วยเจ้าค่ะออก็เราก็มีพระธรรมวินยัยคือพระไตรปิฎกเป็นคําสอนหลักอยู่แล้ว ก่อนที่เราจะไปศึกษากับครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้เราก็ควรจะศึกษาจากพระพุทธเจ้าก่อนศึกษาจากพระไตรปิฎกก่อนไม่ต้องศึกษาทั้งเล่มหรอกเข้าใจไหมทั้งไตรปิฎกหรอกศึกษาพระสูตรสาคัญสักสี่ห้าพระสูตรก็พอจะได้ใจความแล้วแม้พระสูตรอันแรกก็ได้เ ข, ข้าใจความหมายแล้วถ้ารู้ถ้าศึกษาจากพระก็ ธรรมจักรกับปวัตนาสูตรก็ได้มรรคแปดไดอรารยศาสตร์สี่แล้วอันนี้แหละเป็นแก่นของศาสนา mm hmm. แล้วถ้าใครสอนนอกออกไปจากมก 8, รรคแปดอารยศาสตร์สีก็แสดงว่า mm hmm. ไม่ใช่ทางแล้วอ mm hmm. มีคนที่จะคนคนมาถามพระเจ้าคนสุดท้ายตอนที่พระเจ้าจะจะดับนิพพานดับขันธ์ตลอดประวิณิพานมีคนมาถามปัญหาอาหนุนก็ไม่อยากให้เขาไปรบกวน พระพุทธเจ้าได้ยินก็บอกปล่อยเขาเข้ามา เ, ออเขาก็อยากจะถามว่าออมีคาสั่งคาสอนเยอะแยะไปหมด เ, ออเราจะไปรู้ได้ไงว่าคาสั่งคาสอนไหนถูกออคาสั่งคำสอนไหนทำให้เราพ้นทุกข์ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าต้องคาสอนของเราพระพุทธเจ้าบอกคาสอนของใครที่มีมรรคแบบก็ใช้ได้ออมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรอะไรเนี่ย ทีพอเรารู้ชื่อมรรคแปดแล้วเราก็ต้องไปค้นคว้าต่อไปว่าสัมมาทิฏฐิเป็นอะไรสัมมาสังกัปโปเป็นอะไรอันนี้เราก็อาจจะต้องไปค้นในคัมภีร์ดูแต่มีที่อธิบายหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็อาจจะไปหาพระสวงหาพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าท่านแสดงมรรคแปดและท่านเข้าใจท่านก็สามารถอธิบายเรื่องมรรคปดให้เราได้อย่างละเอียดขึ้น แต่ตอนต้นเราต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกก่อนศึกษาพระสูตรสามการสามสี่พระสูตรเนี่ยธรรมาจาักกับปวัตนสูตรอนัตตลักษณสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรมงคลลสูตรเนี่ยสี่ห้าสูตรนี่ก็พอกินละพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วใครถ้าหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อจากพระรูปนั้นรูปนี้ได้ แล้วก็จะรู้ว่าท่านสอนตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าคำถามข้อต่อไปจากผู้แม่ประสองค์ออกนามค่ะถ้าแม่บอกให้ลูกที่ไม่รับผิดชอบออกจากบ้านแต่ลูกไม่ออกแต่นำหลานมาให้เลี้ยงเพิ่มดังนั้นแม่จึงออกจากบ้านเองอย่างนี้จะผูกเวรกันไหมคะและการทำอย่างนี้ถูกต้องไหมคะทำหนับแม่ก็ถูกต้องคัเพราะแม่ไม่ได้ต้องการที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากัน ไม่ต้องการจะกอ่อว่ากอ่อกรรมก่อเวรแม่ยอมแพ้ยอมหยุดแล้วก็เย็นแม่ก็ทิ้งบ้านให้เขาไปแล้วแม่ก็ไปอยู่ที่วัดแล้วอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อันนี้จะว่ากรร่อ ก, กรรมก่อเวรก็ไม่กรรม่อแต่ลูกเขาอาจจะมาตามล่างผานก็ถือว่าเวกรกมเวรเก่ายังไม่หมดก็แล้วกันแต่ส่วนใหญ่ถ้าเขาได้อะไรที่เขาต้องการแล้วเขาก็ไม่มารังควานเราแล้ว ถ้าเราไม่มีอะไรเขาดูดแล้วเขาก็ไม่มาหาเราหรอกที่เขายังมาหาเราอยู่เพราะเรายังมีอะไรเขาดูดอยู่อตอนเป็นเด็กก็ดูดนมแม่พอโตก็มาดูดทรัพย์ของแม่ต่อ <gt> พอแม่ไม่มีรัพย์ให้ดูดแล้วมันก็ไม่มายุ่งกับเราแ ล, แล้วล่ะคำถามต่อเนื่องค่ะและอีกข้อค่ะเมื่อคันก็เก่าเมื่อเจ็บก็ขยับจะแก้ไขยอย่างไรให้จิตแข้มแข็งกว่านี้ค่ะก็ฝึกพุทโธพุทโธไว้เมื่อคัน เมื่อคันก็พุโทโธเมื่อเจ็บก็พุโทโธอย่าไปแตะอย่าไปเกามันให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวจะหายเขาหายคันหายเกาคำถามข้อต่อไปจากคุณพีโกค่ะกิเลสอยู่ที่ใดในจิตครับการกำจัดกิเลสคือกาจัดความอยากทั้งสามใช่ไหมครับกิเลสก็คือความโลภความโลภก็คือความอยากทั้งสาม แล้วก็พออยากแล้วไม่ได้ก็เกิดความโกรธขึ้นมาความหลงก็เป็นความความที่ไม่รู้ว่าความโลภความโกรธไม่ดีก็เลยทาให้โลภให้โกรธอันนี้คืออยู่ในจิตของเราต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาหยุดมันต้องใช้มรรคแปดมาหยุดมันช่วงนี้คำถามวันหลังไหม จะไปอยู่วัดเมื่อไหร่ไปพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้เลยเออไปอยู่กี่วันห้าวันหวันจองที่พักก็เลยจองจองตั้งดืทีแล้วอ๋อต้องจองล่วงหน้าขนาดไหนอนะอ๋อถ้าเป็นช่วงเทศกาลคนก็เยอะผู้หญิงผู้ชายอยู่แยกกันอยู่ใช่ไหมแยกกันอ่ไม่ไม่เห็นกันเลยไม่เห็นกันเลยผู้ชายอยู่ฝั่งภาคะเรียกว่าขั้นขั้นระหว่างภระกับภาคอ๋อ ก็ยังอยู่ในโซนของคาราวานอยู่ผู้ชายมันมีลวกัน้นอราลวกัน้นน <ผม S 1> ะก็มีป่าไม้อะไรกัน้นของผู้ชายก็มีร้วกัน้นของผู้หญิงก็มีร้วกั้นนั่นองกั้นระว่างชายกันหญิงแต่ว่าอของผู้ชายก็จะมีพวกป่าไม้เลยกันกันได้เห็นกันอ่าแต่สมควรจะมาพักเลยอ๋อแต่วัสาร์อาวันเารเราจะกลับนะอะก็อยู่หลายวันนะห้าวันนะ เดีไหมสงบไหมมีเวลาถ้าทำงานทาการมันก็มีแต่เรื่องของงานการให้เราต้องคิ ด, ดก็ประโยชน์ก็ไม่มีอะไรมากได้ก็แค่เงินทองแต่เรื่องจิตใจนี้ไม่มีเวลาคิดเลยไม่รู้ว่าอะไรทำให้เรา วุ่นวายใจไม่รู้ว่าอะไรจะช่วยทำให้เราหายวุ่นวายใจต้องมีเวลามาอยู่คนเดียวเมื่อกี้อยากจะถามปัญหาหรือเปล่าไม่ยกเมื่อกี้อยากจะถามอะไรหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีก็มีคาถามเข้ามาใหม่คำถา ม, ม, ามคาม่ะ จากการที่เรานิมิตฝันเห็นอะไรบางอย่างสักระยะหนึ่งเกิดขึ้นจริงเป็นแบบนี้ตลอดคืออะไรครับก็คือเป็นอย่างที่มันเป็นจะให้ถามว่าเป็นอะไรล้ะมันเป็นอย่างที่มันเป็นนะมันไม่มีชื่อมันไม่มีอะไรหรอกแล้วเราก็รู้ตามความเป็นจริงก็แล้วกันรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ไมนจำเป็นจะต้องรู้ว่ามันเป็นอะไรเลย มีแค่คำถามเดียว <Okay. S 2> ให้รู้ว่ามันเป็นอ น, นิจจังแล้วกันมันเกิดแล้วก็ดับไปถ้าไปอยากให้มันเกิดแล้วไม่เกิดก็จะทุกข์ขึ้นมามหรือถ้ามันถ้ามันเกิดแล้วไม่อยากให้มันเกิดก็จะทุกข์ขึ้นมาอย่าอย่าไปยุ่งกับมันให้รู้ให้สักแตว่ารู้ไปปล่อยวางคำถามข้อต่อไปจากคุณพุทธชาติค่ะ อยากกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะแมวที่ลูกเลี้ยงไว้รักมากเหมือนลูกสาวหายไปหลายวันแล้วเป็นห่วงมากออกตามหาทุกวันติดป้ายประกาศไปทั่วทำเต็มที่ทุกทุกที่สุดที่เราทำได้เพราะอยากให้เขากลับมากลัวเขาบาดเจ็บอยู่ในอันตรายกลัวคนเอาไปแล้วเลี้ยงดูไม่ดีเหมือนเราจนทุกข์ใจร้องไห้เสียใจนอนไม่หลับจนคิดว่าแบบนี้ต่อไปคงไม่ดียิ่งหายไปหลายวัน ยิ่งห่วงขึ้นลูกอยากคิดว่ารอเฉยๆเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองแต่ยิ่งหลายวันยิ่งร้อนรนที่ไม่ร้องก็ร้องวางใจไม่ได้เลยค่ะลูกควรใช้สติปัญญาอะไรมาฝึกวางใจอย่างไรดีคะก็คิดว่ามีการพัดภาคจากการเป็นธรรมดามีอะไรไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการจากกาันไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตาย ยอมรับความจริงนี่เราก็จะหายทุกข์ถ้ายัางอยากให้เขากลับมาก็จะทุกข์เห็นไหมทุกข์เพราะความอยากเห็นไหมอยากให้เขากลับแต่ถ้ามองความจริงว่าเขาไปแล้วเขาจะกลับมาหรือไม่ไม่มีใครรู้เขาต้องคิดว่าเอาความจริงในปัจจุบันก็คือเขาไปแล้วเขาจากเอาไปแล้วอย่าไปอยากให้เขากลับมาอยากไม่อยากมันไม่ได้ทําให้เขากลับมาหรอก ถ้าเขาจะกลับมาไม่ได้กลับเพราะความอยากของเราความอยากของเขามากกว่าทำให้เขากลับมาอาจจะเขาอาจจะเบื่อเราก็ได้เขาอยากจะมีสลภาพเขาอยากจะไปอยู่ที่อื่นก็ได้ให้คิดอย่างนี้บ้างแล้วเราก็จะได้ไม่ทุกข์ใจไปกับเขาคำถามข้อต่อไปจะคุณนันทิดาค่ะฝึกสมาธิอย่างไรไม่ให้ติดสุขคะ อ, อ๋อ การฝึกสมาธิเพื่อให้มีความสุขถ้าไม่อยากติดสุขก็อย่าไปฝึกสมาธิอยากจะทุกข์ก็ไปกินเหล้าไปนั่งกินเหล้าแทนอย่ามานั่งสมาธิเพราะนั่งสมาธิแล้วมันจะสุขคําถามจากคุณมินค่ะ<ม>อยากทราบว่าการโกรธน้ําทุกวันหลังปฏิบัติกับการที่อาทิตย์หนึ่งกรวดครั้งหนึ่งแบบไหนก็ได้หรือเปล่าคะบุญสะสมไว้แล้วค่อยโกรธทีเดียวหรือบุญ อย่างหนึ่งก็โกดครั้งหนึ่งคะอ๋อยังยังไม่ได้บุญเลยการปฏิบัตินี่ถ้ายังไม่สําเร็จมันยังไม่ได้บุญเหมือนเรียนหนังสือวันแรกจะรับป ร, ริญญามันยังไม่ได้แค่นี้ไหมจะเรียนจะรับป ร, ริญญาต้องเรียนสี่ปีถึงจะได้รับป ร, ริญญา อ, อย่างตอนนี้ยังไม่ได้บุญจากการปฏิบัติเนี่ยยังอยู่ในช่วงเรียนอยู่ถ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่นี่ยอ่าถึงจะได้บุญแล้ว อยานั้นอย่าอย่าไปกวดน้ำให้เสียเวลาเลยถ้าอยากจะกวดน้ำใส่บาตรตอนเช้าดีกว่าใส่บาตรปับ๊บบุญได้ปับ๊บทันทีฟาสต์ฟูด้ดเนี่ยถ้าอยากจะได้ฟาสต์ฟูด้ดก็ใส่บาตรอยากจะได้บุญอย่างรวดเร็วก็ใส่บาตรแต่บุญที่เกิดจากการปฏิบัตินี้มันบุญช้าเหมือนกับต้นไม้ผ ล, ลไม้อยากจะได้ลูกทุเรียนนี่มันต้องใช้เวลาหลายปีแต่ถ้าอยากจะได้อ่า ได้ข้าวนี่มันสามเดือนปลูกปั๊บเดี๋ยวสามเดือนมันก็ออกรวงนะงั้นมันบุญมันต่างกันบุญขันธ์ชนิดนะงั้นอย่าไปกวดน้ําให้เสียเวลาเลยยังไม่ได้บุญยังไม่ได้บรรลุถ้าจิตยังไม่รวมเป็นอัปปนาสมาธินี่ยังไม่ได้บุญถ้าจิตยังไม่ปล่อยวางบรรลุเป็นพระโสดาบันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้บรรลุยังไม่ได้บุญ เขาถึงไม่นิยมทําบุญอุอทิตแบบนี้เพราะคนรอรับบุญก็ตายไปก่อนอเขาถึงนิยมใส่บาตรกันทําบุญทําทานกันแล้วก็อุทิศไปเหมือนกับไปซื้อแมคกโดนัลมันรวดเร็วกว่าไปนั่งในตามร้านอาหารเนี่ยไปนั่งที่โรงแรมกว่าจะสั่งอาหารนี่กว่าจะได้กินนี่โหยนั่งรอไปเถิดแต่ถ้าต้องการเร็วไปแมคโดนัลไปถึงปุ๊บเาก็หยิบใส่ถุงปั๊บเลย อันนี้ก็เหมือนกันบุญที่รวดเร็วก็บุญที่เกิดจากการใส่บาตรบุญที่เกิดจากการทําบุญทําทานแต่บุญที่ช้าก็คือบุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมอันนี้มันชา้าช้านี้ทั้งชาติอาจจะไม่ได้ผลก็มีเฉะนั้นอย่าไปหลงกับบุญแบบนี้ยังไม่ได้แต่ปฏิบัติต้องปฏิบัติแต่ต้องใจยเย็นเหมือนต้องปลูกต้นไม้ก่อนปลูกแล้วเดี๋ยวก็ให้จนไม้มันมีเวลาจเจริญเติบโต เมื่อมันเติบโตเต็มที่แล้วมันถึงจะออกดอกออกผลมาเอาคําถามสุดท้ายนะค่ะคําถามสุดท้ายจากคุณวุฒิศักดิ์ค่ะถ้าตอนนี้เรารู้ทันอารมณ์โกรธระงับได้จะทําอย่างไรถึงจะให้ความโกรธมันไม่กลับมาเลยครับก็ต้องไปละเหตุที่ทําให้มันโกรธเหตุที่ทําให้โกรธก็คือความอยากพออยากได้อะไรแล้วมันไม่ได้ดังใจอยากมันก็โกรธึ็ต้องไปละที่ต้นเหตุของความอยาก การจะะคว่มอยากก็ต้องเป็นต้นเหตุของความอยากต้นเหตุของความอยากก็คือความหลงเนี่ยหลงคิดว่าอยากได้อะไรแล้วจะมีความสุขแต่ความจริงแล้วอยากยิ่งอยากยิ่ ง, งทุกข์ไดส้สิ่งที่อยากได้มาก็จะกลายเป็นความทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันสุขตอนต้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทุกข์ต่อไปอันนี้ถึงจะหยุดความอยากได้น้องไปหยุดที่ความหลง ความหยองจะหยุดความหลงได้ก็ต้องหยุดด้วยปัญญาอันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นว่าทุกอย่างเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็าจะไม่อยากได้อะไรเมื่อไม่อยากได้อะไรก็จะไม่โกรธใครเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป เชิเอาให้เต็มที่นะห้าวันเอาให้กิเดเลยให้ตายนะมันเอาเราตายมาตลอดเวลาห้าวันนี้ขอสู้กับมั น, นหน่อย